เดือนตามทุกคนอ่าเป็น 2 เออ 9 โอ้มัน 9 พรรษาคม โอ้โหไอ้เรานึกว่ามันยังไม่ทันไล่แล้วเนี้ยเค้าเนี่ยเค้าวันนี้เค้าแล้วเค้าธันวาคมจะสิ้นเนี่ยยังเหรอสงสัยตกหมดก็ฮะ <ytt ips> อาตมาดูก็สอบแล้วอาตมายังสอบตกเลยเห็นก็สอบแล้วโอ้โหไม่ที<เห><ไร> ศึกษาจริงๆนะศึกษาเอ่อการศึกษาไม่ว่าใครก็ศึกษาจริงๆแล้วครูก็ศึกษาเหมือนกันไม่ใช่ว่า 2 อย่าง 1 ศึกษาตัวเองโดย ตัวเอนี่ศึกษาเพื่อแล้วก็จัดการกิเลสให้มันหมด ทีนี้อีกกาจารย์อีกอย่างนึงๆอันนี้ เพราะเราต้องรู้ลำดับว่าก่อนอื่นเราจะศึกษาโลกเนี่ยโลก วิบากๆเจอกับอะไรๆนานาหลายอย่างเราไม่คิดเออดีๆพวกเนี้ยมันสารพัดสารเพน่ะซึ่งในศาสนาพุทธะมันวิบาก น่ะกรรมวิบากเป็นวิบากนี่แปลว่าผลของกรรมแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติที่เราได้สั่งสมๆว่าเอ่อวิบาก แล้วมันก็พาให้สัตว์มนุษย์อัตภาพที่ได้มานี่ไม่ แต่ละชาติน้อยกว่าล้านกว่าจะปรินิพพานไม่มีน้อยกว่า กว่าจะบรรลุสุดยอดอรหันต์จบกิจก็ไม่เราจะต้องศึกษาถ้าเป็นปุจฉิสัตว์จะต้องศึกษาพอที่ นํามีบอกตัวเองมีอยู่พัวพันอยู่อะไรไตรอยู่นอก กุญชันส่วนมากก็ทิชํานาญในเรื่องนั่งสมาธิและก็ดับนิโรธเนี่ยก่อนจะ ไม่มีคัน 5 แล้วทีนี้จะบ่คุณเอ้ยทีนี้ไม่รู้มันนานแท้แต่อาตมาไม่เดาเดาไม่เป็น 5 ท่านไม่เคยในในใน เอ่ออยู่ที่สุทธาวาส 5 ท่านไม่สุทธาวาส 5 เดี๋ยวมีเด 2 ที่ 3 ได้ 34 อวิเอ่ออวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอคณิฐานะซึ่งอยู่ในที่นั้นมันมันบริสุทธิ์แต่ว่ามันๆนะวันพูดเรื่องจิตวิญญาณนี่เป็น ที่เป็นสภาวะไม่ใช่เป็นๆเอามาใส่สภาวะเพื่อที่จะมาๆร้อยๆก็ค่อยๆเข้าใจๆเรียน มันจะเรียนรู้เพื่อที่จะเอาไปทําตําราเราเรียนรู้เพื่อที่จะเอาไปๆคือเพื่อสื่อ บรรยายไปบอกไปแม้พยัญชนะที่ๆซึ้งๆที่พวกเราเข้าใจซาบซึ้งใดๆก็ๆ นะน่ะคนจะหมดกิจจะจบกิจจะบรรลุสูงสุดๆเรื่อยๆตามจริงใน ตรวจมาตรฐานกันด้วยการให้สื่อด้วยพยัญชนะด้วยภาษาออกมามันจึงเป็นการสอบ เลยใช้แทนกันคำนั้นคำนี้มันคล้ายกันก็ไปลึกก็ไปในรายละเอียดสูงขึ้นไปเท่าไหร่มันยิ่งคล้ายกันมากเท่านั้นๆอธิบายเรื่องของจิตจากหนังสือเรา เล่มใหม่เอี่ยมเนี่ยมาหยิบ 293 เนี่ยนะ ความเป็นผีเป็นเทวดานะ อินทญาณเนี่ยเข้าใจไปเห็นเหมือนพวกเทวนิยงเห็นปิดไปเกือบๆนะ เพื่อให้มันชัดเจนนะให้มันไม่ต้องลังๆแล้วอย่างไหนเป็นอย่างไหนชี้ลงไปนะระบุลงไป นะไปเห็นว่าวิญญาณเป็นเหมือนเทวนิยามเห็นเห็นผิดไปเกือบอลากาเป็นความรู้เป็นความเห็นเช่น แต่แม้แม้เห็นใครก็พูดอาจารย์ใหญ่ๆเห็นพูดสมรรคไหนก็เป็นพูดมีแต่ไม่ เรียนนะอภิธรรมก็ก็เรียนนะเพราะวิญญาณแต่พอบอกว่าเทวดาสัตว์นรกไปล้วนเลย เราพาๆที่ท่านพูดเอาไว้ยืนยันข้อเรา 13 นี่ มโนเนี่ยอสริรังนะแล้วจะใช้คําว่ามโนอาตมาก็อธิบายแล้วมโนก็ดีจิตก็ดีวิญญาณก็ดี วิญญาณนั้นอันอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังวิญญาณหมายความว่าอนิทัศนัง อะไรมันก็เลยไม่มีรูปร่างให้เห็นสัพปโตปปังมันกระจายอยู่ นะข้อ 350 ท่านจัดไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าแม้ว่ากาย เออแหลบตาเนื้อเห็นๆนี่เหมือนลูกตาเห็นเป็นรูปเป็นร่างอ่าบางคนก็เห็นกันเนี่ยก็ที่สัมผัสได้ เป็นรูปเลยรูปเลยนะเป็นสิ่งที่ตารู้ถูกรู้ด้วยตาเราเลยเป็นร่างเป็นสรีระเป็นหูได้ยินนะหรือมีกลิ่นมาจมูกได้กลิ่น ได้เหมือนกันกระทบกับสิ่งภายนอก น่ะที่มีรูปมีแท่งมีก้อนมี เค้ามีความหมายหน้าปากเอ่อปากเจ้าปากเปรตเนี่ยคือมันๆแต่มันมันเหมือนแบบไม่ปากๆน่ะมันถ้าหนูๆนะแขนยาวขวาได้เปรตเค้าว่ารูปหลายเรื่อง เททิวะดาก็เห็นแหมมีรูปร่างทรงเครื่องแต่งกายมีสังวาลมีเพชรวับๆวับๆวับๆเต็มตัวเลยน่ะ บางสำนักเห็นเทวดาต่างชาติมาด้วยนะไม่รู้คุยกันด้วยภาษาอะไรนะอาตมาก็ เมื่อรอดเรื่องอะไรๆๆนะซึ่งเรียก มีเดดนะมีฤทธิ์มีเดดทางเก่งมาก <c oughs> จลับตาเป็นภวังค์ก็เห็นลืมตาก็เห็นนะเกิดการเห็นปรากฏขึ้นในตาๆนะเค้าเห็นใครเคยเห็นมั่งเนี่ยใครเคยเห็น ข้างนอกเห็นเพราะว่าไปนั่งสมาธิมาศึกษามาหรือว่าเห็นนั่งสมาธิมาเห็นเก่งอ๋อเห็นเพราะว่า มันก็ๆแล้วกูจะเห็นรูปร่างผีรูปร่างเทวดาอย่างนั้นก็ตามมันก็เป็น แล้วก็เข้าใจความเป็นกายว่าแค่ รูปกายนี่หมายความว่ารูปคือสิ่งที่ถูกเห็นโดย มันไม่มีวิญญาณเห็นผีก็ไม่มีวิญญาณไม่ได้คิดถึงเออเทวดาดีถ้าผีง่ายๆแค่นั้นเอง คิดไม่คบิเจรณามีดคิดดูรูปร่างอัปปละรูปร่างอิ่มเอมเปรมปรีอะไรต่างๆนานาสารปัตติ น่ากลัวมันไปโอ้มันเป็นผีมันทรมานอย่างงี้มันๆอย่างนี้มันเจ็บปวดงั้นมันดุร้ายอย่าง เรียกว่ามโนมยอัตตปฏิลาโภ 9 ข้อ 302 นะมโนมยัตตาเพราะการเห็นเพียงแค่รูป มันปูแต่งขึ้นมาเป็นตัวตนรูปร่างมันกระดุ๊กกระดิกได้ผีกระดุ๊กกระดิกได้เทวดากระดุ๊กกระดิกได้แต่เค้าก็เห็นแต่รูปร่างกระดุ๊กกระดิกเคลื่อนไปเคลื่อนมาขึ้น นี่น่ะก็เป็นสัตว์ตัวอื่นที่อยู่ข้างนอกไปเลยไม่ใช่ตัวเราผีเป็นเทวดาจริงเลยเทวดา ไม่เรียนเรียนแต่เพียงว่ารู้จักกิเลสเนี่ยสำนักไหนแล้วแต่ดีๆนะยังมีผีมนุษย์เทวดาในตัวคนไม่มีมี คนทําเป็นผีเป็นเทวดาไม่พูดถึงไม่สมมุติสวรรค์ก็คือแดนเทวดานรก รู้จักกิเลสโธรสเด่นรู้กิเลสแล้วก็ฆ่ากิเลสตัดกิเลสแล้ววิธีฆ่าก็ไปไม่ได้เข้าใจ ก็สอนด้วยธรรมอาจารย์จะสอนกิเลสแล้วจะส่วนมากก็สอนให้นั่งรับตาสมาธิแล้วก็นึ่งดับนิ่งให้คิดน้อยลงเออท่านเราจะบบกิเลส วันแต่พยายามนี่คือกิเลสต้องสู้ต้องขยันต้องนั่งให้ดับไปนั่งให้ดับนั่งให้ลิ้งนั่งให้ดับ นั่งกันตะพึดตะเพือแล้วก็พูดกับอธิบายกันเป็นอย่างนั่งไปแล้วขยันก็ไม่มีนั่งนั่งๆแล้วไปเออพอไปติดสงบมันสบายเรามัน นั่งสมาธิเมื่อไหร่ก็นั่งสมาธิโอ้นี่น่ะนี่แหละนั่งพอดีไม่ดีดับเป็นนิโรธก็ได้ดับเป็นนิโรธก็ได้นั่งเข้าก็ เราเป็นอนุ handler จะประกาศหรือไม่ประกาศตัวนั้นนี่คือสายนั่งรับตาเค้าเพราะฉะนั้นที่ต่างๆอาการต่างๆไม่ เจตอัตมาอธิบานเรื่องกายเรื่องบุญเรื่องเจตสิกต่างๆเรื่องนั้นๆนี่ร้อยเรียงให้เห็นเป็นอิทัปปัจจยตาแม้แต่แค่แจกกันไปตั้งเท่าไหร่แล้วไม่ไม่ ไม่รู้นะพวกเรานี่ก็คงจะเคยได้ไปศึกษาสำนักนั้นสำนักเนี่ย เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างงี้อย่างงี้กิเลสอย่างงี้ปฏิบัติอย่างงี้แม้แต่สมาธิเป็น ใครเคยไปเรียนสํานักอื่นๆมาบ้างยกมือดิก็ไม่น้อยนะไม่ปิด ห๊ะซุซุมามั้ยซุซุอ่ะซุซุไปเรียนน่ะไม่เห็นแสดงตัวไม่มาเฮ้ยรู้สิไม่รู้ได้ไงไม่รู้เขาจะสอนกันมาได้นานๆเป็น 100 ปี เออจริงๆอาตมารู้สึกนะอาตมารู้สึกว่าแม้พูดไป อ่าอาตมาว่าเขาไม่รู้อ่ะไม่รู้จักจิตเจตสิกรูปนิพานตัวจริงนะ สงสมกรรมคือชั้นฎิกชั้นก็คืออย่างนั้นนะอ่ะลองขยายความต่อไปอีกดูเนี่ยอาตมาขยายไม่ ดังนั้นการเรียนรู้จากกายเนี่ยได้แต่แค่เรื่องของวัตถุธาตุหรือรูปทางในความว่ากายในศาสนาพุทธ คือยังยังไม่รู้ยังมีความไม่รู้เนี่ยยังไม่รู้ในความเป็นสังขาร องค์ประชุมนั่นแหละคือกายสังขารตากระทบหรือกายะวิญญาณตากระทบรูปเนี่ยคุณก็รู้อะไรขึ้นมาปั๊บไอ้ตัว ที่ขยายคอนขึ้นไปว่ามันปรุงเป็นวิญญาณและปรุงปุ๊บเปล่าปรุงตามธรรมชาติของกิเลสมันก็ คนถ้าไปเชื่อกันจะเพียงว่าจิตวิญญาณกายสังขารหรือกายวิญญาณ วิญญาณเค้าก็ไปเห็นวิญญาณนอกตัวหมดเลยแทน หลับไปเลยไปเลยจบเพจจบแม่กล่อมจบเพจแม่กล่อมเฮ้ไปก็นอนหลับปี้ไปเลยไม่รู้ การน่ะเกี่ยวกับนามะทําด้วยซึ่งเกี่ยวกับนามะทําอย่างยิ่งสําคัญกว่า เพราะว่าสมุทธายริยสัจที่คนควรรู้ยิ่งเพื่อศึกษาพัฒนาชีวิตโดยเฉพาะ ไม่สามารถมีวิชาที่จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกายะสังขารมากกว่าๆๆๆไป อวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีการและปัจจัยที่แต่งกันอยู่ นั่นแหละเค้าก็มันมีสังขารก็รู้มีสังขารก็ยึดแต่ไปเข้าใจว่าเค้าก็จะรู้ ถ้าจิตสังขารน่ะที่จะเป็นคันไคลเขาจะเข้าใจอย่างนั้นแยกกันฟังดีๆนะพวกคุณก็ต้อง และมีจิตเข้าไปร่วมทํางานสังขระสังขารปรุงแต่ง เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นของพระพุทธเจ้าสอนจะสอนอบายสอนข้างนอกสอนเบื้องนอกสอนทั้งนี้ก่อนเรียนรู้กิเลสตัวนี้ก่อนมันสังขารมันปรุงแต่งอยู่แล้วก็เกิดกิเลสก็ เป็นกรรมฐานเป็นบาทฐานในการปฏิบัติอ้าวศีล 5 อ้าวไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ปิดพวกเขาเมียใครไม่ สิ่งนี้เอ่อไม่เราก็จะต้องๆอาการกิเลสได้เหตุของกิเลสไปติดชื่อมแหมยังมีอาการจิตอันไม่ กิเลสนั้นลูกเค้าเมียใครก็แล้วแต่มันก็ยังแบบปั๊บๆๆอะไรอยู่การพนันเรื่องการเล่นเรื่องความเมาต่างๆระดับ เป็นฐานเป็นกรรมการปฏิบัติแล้วก็อานจิตที่เราสัมผัสสิ่งที่เรากําหนดไว้แค่นี้แหละอานจิตในการเปิดตาข้างๆประชุมแล้วเราก็รู้จักหมดไม่ แต่ก่อนนี้กรรมเราทั้งข้างนอกนี่แหละกามภพนี่แหละในโลก ต่ำสุดอบายเป็นโมเดลเป็นตัวอย่างอันแรกก็ก็เป็นโสดามนจนกระทั่ง กิเลสอื่นๆเราก็เพิ่มเพิ่มฐานอติศีลขึ้นจะตั้งหรือไม่ตั้งก็อติศีลก็เราเพิ่มได้จากโสดาบันเพิ่มขึ้นไปเป็นสีหน้าสี 6 สี 7 หรือเข้มข้นขึ้นเรื่องสัตว์ไม่ฆ่าใจเรามันจะๆ ก็ก็เพิ่มขึ้นไปเข้าของแต่ก่อนนี่ก็ยังนะอยู่กับโลกเค้าก็ยังอนุโลมได้เปรียบขนาดนั้น ในขณะกายสังขารของเรานั้นก็สูงขึ้นข้างนอกแต่เราสูงขึ้นมาชั้น 1 แล้วนะนี่เราเหนือขึ้นมาระดับ 1 แล้วพลอบายแล้วเป็นโสดาบัน โดยหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ที่นี่มีเป็นมือเป็นคราวการกินก็เป็นมือแต่เดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยโอ้โหมุกมิดเจ็บบินทบาตมาน่ะเป็นพระเป็น เอาเถอะใครโดนก็โดนน่ะย่างกันเด็กก็ใครเคยมั้งๆพวกเนี้ยซึ่งพวกนี้แหละมันก็คือการที่เพื่อเพื่อให้เกิดอธิจิตอธิปัญญาอธิวิมุตติของเราเองแต่ถ้าเราไม่ทําของเราเองเราก็ปล่อยปราศรัยเรา มันก็ไม่เจริญก็ไปเจริญน่ะนี่ก็เตือนพวกเราเพราะว่ามันเป็นความเสื่อมที่อาตมา นั่นคือการแต่งเพียรให้ต้องรู้จบแต่ไม่หลับตานี่อยู่ เพราะฉะนั้นท่านผู้นี้จึงกายสังขารนั้นปัดสัมภยังจิตจะปัดสัมภยังกายสังขารังเรียบร้อยปิติก็ดีสุขก็ดีที่อยู่ในอันนี้บรรยายอยู่ในอานาปานสติสูตร ถ้าดับแล้วขณะนาคามีกันสบายแล้วดับแล้วกิเลสทาง ก็เลื้อยแต่จิตสังขารในจิตสังขารก็มีรูปรูปราคะรูปราคะรูปภพอรูปภพก็เรียนรูปตัวเองไปตามขั้นตอนปลายก็อรูปภพก็เป็นขั้นเป็นตอนไป โตแล้วตั้งเองกําหนดเองรู้ฐานลงที่คุณจะมีอยู่แล้วหยาบกลางละเอียดรู้จักๆเรื่อง มันเบาหมดแหละมาๆนานาที่มันยังแวบยัง แล้วก็อะไรล่ะก็อะไรอิจฉามัจฉริยะน่ะมายาสาเถยยะ ต่างกันมั้ยกับกายสังขารที่ผู้เข้าใจว่ากายสังขารแต่มันดับนามธรรมที่องค์ประชุมของข้างนอกของคําว่ากายเกี่ยวข้องกับข้าง <idi> เพราะฉะนั้นเรียกว่านามมกายก็ประชุมเข้าเน้นไปหาไหนถ้ารูปเลยถ้ารูปกายถ้านามกายมันก็เน้นไปหา มันก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนามมาอรูป ถ้าแจกไปเป็นวจีสังขารอีกโดยยากเลยทีเนี้ยยากแน่จริงอาตมาเชื่อเข้าเข้าใจงั้นเลย วจีสังขารไม่ใช่วจีกรรมวจีสังขารคือการประงแต่งขึ้นมาเป็นลักษณะของวจีซึ่งยังเป็นภายในอยู่สัตว์มันเจอนี่มันก็มี มันจะบอกเพื่อนบอกเพื่อนบอกลูกบอกหลานมันก็ส่งภาษาของมันเอ้อ จะเป็นภาษาจะเป็นรูปธรรมจะเป็นมโนตามาธรรมจะเป็นกิริยานามอะไรภาษามันก็บอกอยู่ในนั้นแล้วมัน มันเร็วเร็วมันรู้เร็วๆแล้วมันก็มีภาษากําหนดเร็วจนกระทั่งๆนานานะเช่นอีสานบอกว่าเอ้ยอันนั้นน่ะงูจองปอง โอ้ยนั่นน่ะทีมมิวคโลอยู่แค่นั้นอยู่หันน่ะนะนั่นน่ะ <laughs> ต่างๆนานาพวกๆหมดเยอะนะมันเป็นพยัญชนะเป็นจะไปพวกเข้าใจว่าวจีสังขารอาตมา อันนี้จะจริงจะเท็จยังไงก็ ที่บอกว่าเวลานิโรธน่ะจะเข้านิโรธ พอไปสู่สภาพนั้นเมื่อร่วมพ้นสภาพนั้นสภาพนั้นวุฒธานะโรคพ้นสภาพนั้นไปไปเสร็จแล้วมันก็ มันสัมปตะมันไม่ใช่สัมตะสัมนะหลวงพ้นไปเลยนะบรรลุพ้นนั่น แต่นิโรธของฤาษีเนี่ยมานั่งเข้านั่งออกนั่งเข้านั่งออกเขาเลยใช้ภาษาคําว่าเข้าออกอุบาสกวิสาขะอุบาสกก็มาถามธรรมทินนาว่า รู้จักสังขารไม่จริงยังอวิชชาอยู่ไม่รู้จักสังขารตอบได้ยังไงคุณ แต่มันก็ตรงกันเหมือนกันนะคล้ายๆกันเหมือนกันตอบที่ไม่ได้เรียนสังขารอย่างลึกซึ้งเป็นสภาวะอย่างที่ว่านี่ก็จะตอบที่จริง สิ่งที่ได้องค์ประชุมของจิตต่างกัน 7 เนี่ยกว่าจะถือว่านิโรธต้องผ่านหมด แต่ละเซตที่ปัจฉิสังขารจบดับก่อนแล้วค่อยมากายสังขารแล้วค่อยมา แต่ที่จริงมันดับได้แล้วมันก็จะต้องทํากรรมเพราะฉะนั้นสังขารจะกรรมเนี่ยอะไรพอผ่านไปเป็นวจีสังขารแล้วสมบูรณ์แล้วมโนวิจิกเป็นตัวประธานเป็นตัวมโนปุพังกรรมข้างนอกไม่ กายกรรมหรือเป็นกรรมตันตะเป็นอาชีวะก็ต้องจิตเป็นตัวตั้งจิตสังขารว่าเกิดก่อนแล้วจึงเกิดทีหลังอย่างนี้เป็นต้น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 สังขารกาลมิชาติฐิสังขารผิดสังขารไม่รู้เรื่องคุณก็สังขารมาเป็นอวิชชาอวิชชาก็เป็นส่งเป็นสังขารสังขารก็ก็ส่งเอ่อเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารก็ไหนมาไม่ไปได้มาก็วนไป ไม่ได้พ้นจากอวิชชากับสังขารเลยเพราะฉะนั้นคนผู้นี้จะมี <Yeah. S 1> โดยมีวิธีที่จะไม่ให้มันสังขารไม่ปรุงแตงดับนั่งดับดับดับดับดับให้แข็งทื่ออเนญชา ปุญญะปาปะปริขีโนสิ้นวาบสิ้นบุญไม่ต้องทำละยินสัพพะปาปะสักการนังกุศละสุปสัมปทาเข้าป่าเลยไม่รู้เรื่องเลยก็เลย อ่าที่ 2 บทที่ 2 ใช้กุศลรสสุปปทาทําไมไม่ใช้คําว่าบุญน่ะถนนบ่าวเราทําไมไอ้ใช่พยัญชนะ แฟนกวีแฟนฉันทลักษณ์เค้ามันใช้อันเนี้ยถูกถูกเค้าก็ใช้ได้เค้าก็สอนกันมาเรียนกันมาอย่าง ก็ยืนยันว่าอย่างเงี้ยที่ที่เธอเป็นคําว่ากุศลอันนั้นต้องเป็นคําว่าบาปไงเพราะมันถูกบังคับด้วยฉันทลักษณ์อธิบายอย่างเงี้ย ถ้าจะให้อธิบายว่ามันต่างกับบาปกับบุญกุศลอกุศลบาปบรรพบุญกุศลนี่คือคุณงามความดีของ ฟังดีๆนะกุศลเนี่ยมีการใช้หนี้กันไปใช้หนี้กันมาใช้หนี้กัน ทำไม่เคยยันก็เกิดขยันทําไม่ขี้เกียจมันก็ขี้อยู่ไม่รู้จบเป็นโลกิแต่บาปกับ ปอบบุญจีนไหรนะคนกลัวนะอ่าไอ้เครื่องตัดคอหัวมาของปอบบุญจีนยุคโนนี่กลัวชมัด หมดเรื่องที่จะไปก่อบาปก่อเวรมันกินไปเยอะทั้งถึงเป็นผลทั้งกุศลด้วยตัดกิเลสด้วยแล้วมันก็ลดอกุศลแล้วมันก็ ที่ท่านต้องใช้คําว่าให้เกิดกุศลแล้วเนี่ย แต่ถ้าเผื่อว่าคุณมีปัญญารู้ว่าคุณต้องการคืนต้องการเอาทดแทนหรืออะไรก็ อย่างนี้เป็นต้นมันไม่มันต้องถูกต้องเพราะคุณให้และก็ทําเป็นคุณให้คุณคุณทําจิตลดกิเลสได้คุณได้ทั้งกุศลคุณได้บุญได้ทั้งลดกิเลสได้ทั้งกุศลด้วยปฏิบัติศีลไม่ใช่ว่ายิ่งปฏิบัติ ได้วิมานวิมานที่เป็นวิมานนิพพานหรือวิมานเจริญวิมานอะไรก็แล้วแต่สิ่งสร้างวิมานได้มหามากมาหลาย มันก็ได้ก็ได้ปฏิบัติทรงงวนอย่างนี้ขยันมีเมตตามีเกื้อได้แต่คุณไม่ได้รู้จักกิเลสกิเลสได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้อะไรก็ไม่รู้ มันแต่อารมณ์มันเป็นเรื่องนามมันทําคุณก็ได้แต่ไม่ได้เข้ามาฆ่ากิเลสไม่ได้รู้ เมื่ออย่างกับพิธีโบราณๆนานาจะเจริญ เพราะมันจะเป็นรถกิเลสเลยนะอย่างนี้เพราะงั้นพวกถ้านัตถิทินังนัตถิยถังแน่นอนนัตถิหุตังแน่ แม่สมาธิธิแล้วคุณก็ต้องมาเตวิชโฌมตรวจทวนเออทินนังทานแล้วมันให้ผลให้ผลละเอียดสะอาดดีเปล่าทําเป็น คุณทําไปแล้วปฏิบัติไปแล้วจิตมันเกิดมันไม่สะอาด จิตเราได้ผลแล้วได้ฐาวรหรือยังแข็งแรงมั่นคงแล้วสังขารุเปขคายานสัจจานุสัจจานุเปกสัจจานุโลมิปิเมกายานมันเจริญอีกมากอีกอนุโลมได้มาก เจริญขึ้นเรื่อยๆอุเบกขาเจตสิกเจริญขึ้นเรื่อยขนาดไหนอ่ะเพราะๆซึ่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม อนุสังกัปปะวาจากรรมันตอาชีวกรรมนั้นข้อ 4 ของสมาธิทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิข้อ 4 ก็ 5 โลกนี้ก็ 6 โลกหน้าก็รู้และความ ก็รู้โลกแล้วก็รู้ด้วยว่าเหตุๆรู้จักองค์ประชุมของรูปนาม มีโลกที่มีองค์ธรรมของกายครบๆเข้าใจขึ้นมั้ยอ่าคุณถึงจะรู้สัตว์โอปปาติกะที่แท้จริงไม่มีรูปเทวดาหยาบๆตื้นๆนรกี หมดแล้วกามารขั้นๆมีกามเท่านั้นมีพยาบาทเท่านั้นต่างๆก็เตรียนต่อไปโดยอวิงสากาม 2 อนาคามี ก็มีหิงสาที่มันจะเหลือหยาดรายละเอียดของระดับสูงจิตอนาคามีเพราะฉะนั้นไปถึงอนาคามีก็แล้ว 30 40, 40 ปีอาตมาพาธรรมเนี่ยคุณลองประมาณดูสิโอ้โหนี่ 22:00 น. แล้วเว้ยเดี๋ยวให้ถามเราไม่มี คสช. เมื่อกี้เราเริ่มตั้งแต่ 6:00 น. 10:00 ไม่ถึง 10:00 น. ไม น, เร 10, ไม 10, 10 น, นประมาณนั้นอ่ะลองประมาณดูว่า ใคร 23, 40, 40 มา 40 ปีรู้สิว่าเราอยู่กันมานี่สังคมๆนานามา เนี่ยนอมันมีมีบ้างแต่ก็ 30 ปีขึ้นไป 40 เข้า 40 กันเพราะจะเป็นสังคมที่แหม แต่ดีกว่านี้ดีไหมดีกว่านี้ดีมั้ยแล้วพวกคุณควรดีกว่านี้ขึ้นมั้ยรู้ตัวนะไม่ใช่บอกว่าเอออย่างงี้ก็ดีแล้วเออก็อยู่แค่นี้อ่ะ นี่คือเมถุลข้อที่ 7 เมถุลสังโยคข้อที่ 7 เป็นเทวดาองค์ คุณก็ถูกทิ้งแล้วนั่นเองแม้คุณไม่ต่ํา ไล่ออกไปจากเรานี่มันยังไปเป็นที่ 1 ไปเป็นหัว รับรองโลกทั้งโลกอาตมาว่ามันไม่ใช่แต่เมืองประเทศไทยคุณภาพของซึ่งอาตมาพูดแล้ว แล้วลูกก็ยาวงามสดมันปลูกอะไรก็ดูเหมือนมันดีไปทั้งนั้นเลยพวกเราเนี่ย อ่าเอาล่ะอาตมา 31 แล้วตอนๆบ้างมีอะไรที่จะเสริมบ้างก็ไปอย่างเงี้ยสอนกันไปแนะนํากันไปก็มีได้อานิสงส์ 5 ประการทุกวันและทุกทีและถ้าว่าไป อ้าวหน้าที่ของเด็กจริงเอื้อดินแล้วเอื้อดินฟ้านะลูกชายในในเต็มบาดเออ ไอ้ปิสามชื่อยุทธวันไอ้คนนี้มันก็ชื่อเยี่ยมตะวันนั้นตามนั้นก็ว่าเอาเลยก็เค้าเต็มบาป ปองอันนึงมันแปลว่าช่องปองอีกคํานึงมันแปลว่าฉลาดภาษาอีสานเนี่ยปองเนี่ยอ่าพอให้ปองเยี่ยมกับเซว่าฉลาดยอด ปองเอี่ยมอ่าบางทีเค้าก็เรียกปองเอี่ยมบางอย่างปองแปลว่าฉลาดมีไหว ก็เลยเออดีเหมือนกันมันมีความหมายดีปองเขียนปอปลาอออ่างนี่แหละปองนี่แหละภาษาไทยนี่แหละใช่ดีเหมือนดีเหมือนจะป่อง ตัวตัวตัวปปลาออังงงูนี่แหละปองนี่แหละเพิงกันเนี่ยเพิงนี่ก็คือเพิงนั่นแหละเพิงจะไม่ เพิงกันเพิงกันคุณก็ออกเสียงภาษากลางเออเหือนเพิงกันเพิงกันภาษาไทยกลางออกเหือนไม่เคยได้เหือนอ่าเพิงกันเพิงกันกันภาษากันนั่นแหละ ถ้าอีสานมันดัดนิดนึงเพิงมันก็ออกไปหน่อยนึงอ่ะอ้าวยกมือแล้วเอ่อธรรมสภาวะที่อยากเชิญ เมื่อหลายเดือนผ่านมาแล้วเนี่ยก็ขี่ สหพักใหญ่ๆขี่ไปก็สังเกตเห็นหญิงชราจะช่วยแต่อีกใจหนึ่งก็บอกว่าเราก็กําลังทําดีนะเพราะว่าเราจะเอาบทความฟรีไปส่งอีกใจหนึ่งก็บอกว่าเราเคยตั้ง วันก็จอดลงถามว่าคุณป้าไปไหนครับความรู้สึกนี้ชนะก็จอดลงถามว่าคุณ 4 แยกข้างหน้าอ้าวงั้นไปกับผมก็เลยพ่วง 3-4 กิโลเมตรก็ วันนี้สุรก็ถามว่านายแกบอกนู่นน่ะบ้านอยู่นู่นก็เลย 700 เมตรแต่ผม 4 แยกผมต้อง 10 เมตรเนี่ยเดินไม่ได้มั้ย 4 แยกนั้นก็ปล่อยก็ นึกโดยปฏิภาณว่าณปีนี้แต่นี้ต่อไปเนี่ยถ้าเราเกิดจิตใจหม่นหมองเราจะหาหาเรื่องช่วยคนให้จะดี ช่วยไปแล้วทําไมมันหมั่นมองต่อไม่ใช่ฮะทําไมมัน ตระณีตระณีแรงงานขี้เหนียวแรงงานขี้มันขี้เหนียวได้คลายความขี้เหนียวไปช่วยเค้าอ่าไปปล่อยแล้ว มันก็ผ่องใสมันก็บดมนต์หยุดมองก็มันก็ไม่เสียหายมันก็เรื่องจริงพระเจ้าเออเรา เห็นแก่ดักเห็นแก่ตัวไม่เสียสละเลยขี้เหนียวขี้เหนียวความเออจิตตัวนี้มัน แทนที่จะบอกว่าเออได้ทําแล้วมันเป็นวิมานทําเออเราทําได้ทํามันมันจะเข้าใจลึกกว่ากันนะ กับจิตที่เราได้ทําดีปิติเราอยากทําอีกเนี่ยมันตรงนี้จึงตระตะ ตัวตัวคมมันเห็น 2 อ้าวนี่เค้ายังถือเปิดไมโครโฟนไม่ได้ไอ้คนเนี้ยเอาๆๆๆต่อ และได้สนทนาธรรมะกับคุณปีก็นานๆก็เจอ จังเลยหลังจากฟังธรรมะของสักครู่หนึ่ง นะคุณก็รู้อะไรเยอะเยอะผมขอถามว่าอาจารย์ตัวเองที่มีกิเลสนี่จะทํา ถ้าสมมุติตัวเองเกิดกิเลสหรือเกิดปัญหาทำยังไงอาจารย์ประเสริฐบอก โยงมาถึงขยักแรกเนี่ยออกมาครับเออแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่ามันยัง ขอบคุณทั้งไม่เข้าใจแล้วว่าคําสอนของอาจารย์ประเสริฐเนี่ยก็ยังมีส่วนไม่สมบูรณ์อยู่ในในลักษณะที่ว่าช่วยคนอื่นไม่เถอะแล้วกี่เหรียญมันจะหมดครับขอบคุณครับนั่นแหละ การศาสนาเทวนิยมไม่ไม่ได้เรียนปรมัตถ์เหมือนศาสนาพระเอ้าขออนุญาตค่ะก่อนค่อยๆไม่ทราบ ในบรรยากาศห้องสอบอ่ะค่ะฮะในห้องสอบค่ะอ๋อห้องสอบไม่รู้จักแต่ได้อ่านไอ้ข้อสอบขออนุญาตรายงานได้มั้ยคะอ้าวๆๆรายงานห้องสอบคือคือ 3 ชุดนะ 1 เป็นช้อยส์ข้อสอบมี 1 คะแนนข้อละ 1 2 ก็เป็นคะแนน จุดที่ 3 ให้เรียก 3 ข้อข้อละ 10 คะแนนทีนี้พอทําไปถูกหรือกากบาทอาจารย์ครับขอสักพักไปขอยาดไป เพื่อนฝูงก็ตกใจนึกว่าทําเสร็จแล้วปรากฏว่าเขียนผิดหมด แล้วว่าคนก็ถามว่าชื่อเล่นหรือชื่อจริงคะแล้วก็อาจารย์จะบอกเวลาตอนนี้เหลือ จากหน้าที่เท่านี้หน้านี้ถึงนี่ทั้ง 2 เล่มทั้งทางเอกทั้งคันมา ที่จริงอ่ะอาจารย์พูดไว้ก่อนแล้วว่าถ้าเห็นข้อสอบแล้วจะ รู้สึกว่าเพื่อนๆก็ค่อนข้างจะปวดหัวเหมือนกันแต่ว่ายังมีคนที่ว่าเก่งนะคือหมอๆดิฉันก็ว่าดิฉันไม่ ไลน์ตกด้วยกันไม่ทราบว่าฝันเป็นจริงหรือ <c oughs> ทีนี้พอถึงของอาจารย์อเนกใช่มั้ยอาจารย์เรียกบอกว่ารู้สึกว่า คิดอยู่แต่ยังไม่บอกเดี๋ยวก็ได้รู้ได้รู้ต่อไปนี้เป็นคําถามพี่พอท่านว่า สมมุติมันมันไม่ศึกษาตัวเองๆหรอกไม่ใช่ค่ะกิเลสๆนะเฮ้ยกิเลสจบสิกินแลมันจบได้เป็นอรหันต์ก็จบได้กิเลสหมดหมายสิ้นเกลี้ยงจบเป็นอรหันต์แล้ว แต่สาลโลกโลกสังคมมึงนอกเนี่ยมันไม่จบหรอกสามไม่จบๆจริงๆก็จะจริงๆแล้วเนี่ยท่านอนุโลมโลกโลกวิปทูแล้วแล้วเกิดอีกกี่ เพราะว่าท่านเรียนถ้าตัวจะชาติ จะเรียนไปอีกมันก็วนไปอีกๆต่างๆไปอีกกี่ล้านๆๆๆๆๆๆๆยุคต่างแตกเปลี่ยนอะไรต่อๆ มันเหมือนกิเลสอินฟินิตี้อ่ะจากอินฟินิตี้ไปเลยกับจบเอ้าดีย้ำซะให้ชัดๆหลายคน กราบนมัสการพ่อท่านอ้าวขอกราบเรียนถาม oh. นะคะ. 16 นะคะคะแต่เป็นฉบับใน 2 วิภังคสูตรนะคะใน 2 นะคะว่าด้วยการ พอคงสอนมาตามลําดับนะคะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารเป็นอย่างไรชาติเป็นอย่างไรภพมีเท่าไหร่อุปทานมีสัญญา <c oughs> เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบหรือสัมผัสนามทําไว้ในนี้เรียกว่านามยัง 4 และ 4 นี้เรียกว่ารูป เพราะฉะนั้นพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าเวลาพ่อครูอธิบายพ่อครูก็มักจะสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการจริงๆถ้าพูดแค่ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป 4 ที่พระครูมักจะใช่มั้ยคะใช่ขอบคุณค่ะงั้นเข้าใจเพื่อนๆพวกเธอ นามรูปคือเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการนี้เรียกว่านามรูปถูกหรือผิดถ้าเพื่อนบอกว่าถูกพระราชจะบอกว่า คุณตามที่คุณหมายถูกค่ะตามที่คุณหมายนามมรูปครับพ่อครูคืออย่างงี้นามเฉพาะนามนี่คืออ่าเวทนาสัญญาเจตนาภัสสมนสิการ ให้เรียนจริงๆเนี่ยนามไม่ได้มีเท่านี้แต่ในใหใหใหเร 4 กับเอ่อ 4 กาดued อย incapิ 幸โทษ มัのSC est ยัง y แก Moran R行, the Z, c ในในวิภักษณด์ปศังสูตรในมาย nymลาย นำ car-hye, l ผิธรรม birthday, hie.o people. เนี่ยก Dominic, depicted in mura turi ãy сеยัง y o for the ty, ค非常的ใช y as the? มายมายมาย ours mellip for the� f où I send my mind. อธิบายอยู่ทุกวันเนี้ยก็อาศัยอันนี้แหละแต่ที่ดีมันมีมาก 28 นามมีเจตสิก 52 นะแล้วก็เอ่อจิต 89 หรือพิสดาร 121 ก็ตามมันไม่ 16 2 วิภังคสูตร นามรูปเป็นอย่างไรรูปเป็นอย่างไรก็ตอบตาม 2 เล่มใช่หรือ 2 เล่มเค้า ค่ะขยายความให้ฟังอีกก็กําหนด รับรองๆนะนามที่ว่าเนี่ยอาตมา 5 ตัวเนี่ย 3 วิญญาณ 3 เป็นหลักคือเวทนาสัญญาสังขาร 5 เนี่ย 4 ตัววิญญาณเป็นตัวใหญ่ <c oughs> ตัวอีก 3 ตัวนั่นน่ะก็เป็นอย่างถ้าคนคืออะไรทําไมสําคัญนักก็จะชัดมันเป็นตัวเจตสิกชั้นสังขารเนี่ยพอปรุงแต่งกันเวทนาสัญญาสังขารสังขารมันปรุงแต่ง <c oughs> มันก็รวมเป็นสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะเนี่ยมันจะไปเป็นขบวน รูปและปุ้งก็เป็นวิญญาณปรุงแต่งก็คือสังขารอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นพอเวทนาสัญญาคือวิญญาณ เพราะฉะนั้นในอาหาร 4 อาหาร 4 ตัวผัสสะตัวผัสสะเนี่ยมันมีผัสสะปุ๊บมันก็จะเกิด เจตนาเป็นกามเจตนาเป็นภพเพราะเจตนาที่จะเป็นวิภวะตัณหามันไม่มีอ่ะปุถุชนใช่มั้ยตัณหา 3 เนี่ยในมโนสเจตนาเจตนา 3 มันจะไม่มีกามมันก็มีกามตัณหาภวะตัณหามันไม่คิดหรอกนอกจาก แต่มิจฉาทิฐิมันก็ไม่สามารถจะยลางพบได้เพราะถ้า อย่าคิดมือก็ที่เอาบทความเท่านี้ฟังว่าๆเรียนก็ทั่วไป ยิ่งผัสสะไม่ให้เอาเลยนั่งทําไว้ในใจตาเลยเห็นว่า แต่คัตตะที่ทํามันต้องทําเลยคุณทําใจในใจของคุณนี่แหละทําใจในใจและคุณ แต่ถ้าเพราะว่าจะเอาความหมายดีๆถ้าเพราะมันเป็นเรื่องของจะ past perfect tense แต่ continuous ใช่มั้ยมันไม่ใช่เป็น อาตมาก็ไม่เห็นด้วยที่จะแปลว่าทําไว้ในใจอย่างที่คุณอีก 3 ตัว 108 สัญญาคุณก็ต้องใช้ทํางานไปตลอดกาล 108 เพราะฉะนั้น มหาภูตรูปคุณก็เข้าใจแต่ต้องมีนามก็ไปเกี่ยวข้องผิดเนี่ยตะมา นะฟักขานี่ก็ลูกโตโตนอแดงดีเนี่ยถ้ามันไม่เกี่ยวข้องก็เรา แต่มันอยู่ข้างนอกแน่มันอยู่ข้างนอกแน่ถ้า 4 อุปาทายตาหูจมูกลิ้นกายเป็น 5 ถ้าเข้า หมายความว่าบทบาทมันดําเนินขึ้นโคจรเริ่มเริ่มโคจรด้วยเริ่มคิเนติก สัมผัสกันเกี่ยวข้องกันปั๊บเกิดวิญญาณวิญญาณคือภาวะรูป มันทําให้หมดดิ้นเป็นเอกภาวะน่ะหมดความเป็นสหายไม่มีเพื่อน 2 เป็นเอกบุรุษนั่นคือปุริสภาวะแต่ละเรื่องแต่ละรอบไปเพราะฉะนั้นคุณจะรู้ว่ามันดิ้นมันดิ้นอยู่คือมันมี มันแรงมันเบามันอ่อนมันหนักมันหนาอาการชีวิตสัตว์สัตว์ไหนล่ะสัตว์อบายของคุณตัวไหนล่ะคุณก็ต้องจนชีวิตมันบางแล้วอ่าก็ เอ่อแค่เมฆะดิกแล้วเบาอะไรคุณก็ต้องรู้ชีวิตอินทรีย์ของมันอ้าวดับชีวิตแล้วหมดชีวิตตายคือรูปที่คุณต้องรู้ๆก็อย่างนี้ไปหมดต้อง กวลิงกราอาหารน่ะโภชเนมตัญญุตตามตัญญุตตาจะพัสสะมิงแต่มันอ่านกิเลสได้ทั้งนั้นน่ะอาศัยมีกิเลสอยู่ในอาหารกวลิงกราอาหารส่วนผัสษาอาหารเจตนาแล้วเจตนากับ ส่วนกวรินทราหารก็คืออ่านผัสสะกับเจตนาในอาหารคําฆ่าคุณเนี่ยแหละ แล้วก็ไปสู่ปริเฉทะนี่คือว่างๆอากาศว่างๆใช่มั้ยอยู่หมดชีวิตสิ่งๆมันไม่มีแล้วมันไม่มีนอก มันก็เรียกว่าเกี่ยวข้องกับข้างนอกเรียกว่ากายวินยัติ คุณก็อาศัยกําหนดมโนวิญญาณของคุณเองว่าคุณจะเอาราหุ กายวิญญาณวัจีวิญญาณอีก 2 ในวิการรูปก็นั่นแหละคุณกําหนดไหนคุณ 5 สุด 4 ในมัน ธรรมต่อเนื่องกันกับสันตติแต่ทุกอย่างมันก็วนอยู่ในนี่แหละอนิจจตาลักษณะรูป 4 มันก็อยู่แค่นี้ หรืออะไรที่คุณไม่ต่อแล้วอะไรที่คุณไม่ต่อแล้วคุณจะไม่สันติติแล้วคุณก็จัดการที่คือสุดค่ะทั้งหมด E เท่ากับ A นี่คือ A ทั้งหมด<น> A ขอบพระ abstract ค่ะ อยู่แต่ไอสไตยังไม่ 2, e 2 เท่านั้น A ให้นี่เราเรียน E FC 2 อาตมาสอนไปบรรยายนี่แหละรุ่นนี้ อาตมาตั้งชื่อไว้ว่าจะบรรยายเรื่องวิชาแพทย์เป็นเลิศชาญค่ะกลับเข้าการค่ะ ห้ะตะกี้ตะกี้เรื่องลึกค่ะอ๋อแหมฟังไม่ไปคราวนี้เรื่องต้นๆนะคะ มันเป็นอาชีพที่ชั่วร้ายมากขออภัยมันมันเลวร้ายมากตอนเนี้ยค่ะอาตมาว่างั้นเหรอเคยเคย เพราะฉะนั้นแม้แต่การเมืองนี่มันเอาประชาชนเป็นมันก็เลวอ่ะทีนี้ถ้ามันเป็นบุญ ก็มันช่วยชีวิตมนุษย์น่ะมันช่วยชีวิตมนุษย์มัน จะคือช่วยชีวิตคนโอ้โหสุดยอดที่ค่ะแต่ทุกวันนี้มันเห็นชีวิตคนเป็นเครื่องพากินแล้วก็มันใช้อำนาจความตายของเขาความเจ็บของเขาเป็นเครื่องต่อ เพราะว่ามันมันเหมือนกับเป็นเรื่องที่เอ่อได้มาโดยหรือคุณ ส่วนที่จะกําหนดอัตราคุณก็ขึ้นเงินเดือนคุณก็ขึ้นเบี้ยเลี้ยงคุณก็ขึ้นเงินพิเศษเงินโน่นเงินนี่ก็ขึ้นไปดิดีไม่ดีเอาเงินนี่เอาไปดูงานเงินนี่เอาไปรับรองเงินนี่เอาการไม่ มันต้องมีคนอย่างคุณจำลองนี่มาบริหารเงินมันถึงจะเจ๋งจนกระทั่งก็อ้าวแล้วเหมือน 2:00 น. 16 นาทีแล้วนะอ่ะเอา อ้าวไปสาธุ <laughs>